คุณพระรัตนไตรขโอกาสเพื่อนสัตธรรมิกท่านเจริญธรรมแม่ชีระยะทธิธรรมทุกท่านก็นั่งสบายๆเนาะก็เม <c oughs> ื่อเมื่อประมาณวันศุกร์เราก็ได้มีโอกาสไป <c oughs> ในงานนะชาพนิ ก, กิจศพที่กองฟอนที่ในวัดป่าสวัวโตเนาะตอนนั้นก็ได้ไปพิจารณาคนที่ตายเนาะก็ผอมมาก พนะอมแล้วก็แต่ก็ดูหน้าตาก็อายุก็ยังไม่มากเท่าไหร่เนาะแล้วก็เผาเมื่อวันศุขเมื่อวานเนะมื่อวานนี้ตอนบ่ายเขาก็นิมนต์ไปนะไปไป <c oughs> ไปสวดนะสวดนะเป็นการเรียกว่าพิจารณาบางสกุลอนิจจานะสวดนะบางสกุลตายแล้วก็บางสกุลเป็นนะ ก็ <c oughs> ไปเก็บกระดูกนะเก็บกระดูกก็กระดูกที่เป็นชิ้นเล็ก ๆ, ๆ็กน้อยน้อยนะก็อย่างที่เราเคยเห็นกระดูกกันมานะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าผ่านมาสองวันนะเราค่อยไปเก็บกระดูกก็เป็นเช่นนั้นจากคนที่มีร่างกายเหมือนกับพวกเรานะคือพวกเรานี่ถ้าตายแล้วนะมันก็เป็นสิ่งที่เราว่าสักพักหนึ่งนะตายไปแป๊บเดียวอีกสัก ประมาณชั่วโมงหนึ่งตัวก็เริ่มเย็นนะหลังจากก็เริ่มแข็งแล้วนะอ่ามันก็ค่อยๆเป็นแบบนั้นนะครา้ น, นี้จากตรงนั้นเมื่อกลายเป็นกระดูกไปนะครั้นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เราว่าเรามาพิจารณาดูไหมว่าอ่าสักวันหนึ่งเราก็คล้คยคยายวันนั้นเหมือนกันนะอ่าเราก็ตายตายไปนะแล้วก็ก็โดนเผานะเดี๋ยวนี้ตัวมากตายแล้วก็โดนเผาทั้งนั้นแล้วก็กลายเป็นกระดูกไปนะีมันก็เหลืออายุไม่กี่ชิ้นเองใช่ไหม สิ่งเหล่านี้ก็ถ้าไปผิดน่าดูก็เป็นธรรมะที่ดีนะอย่างสมัยโบราณสมัยโบราณนั้นก็เขาจะมีมีการเวลาตายแล้วเนี่ยก็จะนำศพมาไว้ที่ป่าช้ากันนะคือมามาไว้แต่ว่ายังไม่ได้เผานะแล้วสมัยก่อนก็ไม่ค่อยมีโรงอะไรเท่าไหร่ด้วยนะบางทีก็ จะมีนําศพต่างๆมาบางทีก็นํานําศพผู้หญิงมาก็มีนะศพผู้หญิงตายสดๆนี่ก็มีไปไว้ที่ป่าช้ากัน <c oughs> เราเราพระสมัยก่อนก็ชอบไปไปพักตามป่าช้า <c oughs> เพื่อที่จะได้พิจารณาศพต่างๆนี่แหละเป็นอสุภะอันนี้ <c oughs> บางทีก็มีมีนําศพผู้หญิงไปนะบางทีศพก็ยังสดๆอยู่พระก็ไปพิจารณากัน บางทีพิจารณาไปพิจารณามาแทนจะเกิดอสุภะก็เกิดเกิดราคะขึ้นมาก็มีนะเพราผู้หญิงบางทีก็ยังยังสวยยังสาวยังสดอยู่นี่ก็เกิดราคะขึ้นมาก็มีใช่ไหมอันนี้ไม่ได้พิจารณาแล้วเกิดราคะขึ้นมาแล้วท่านก็ทําไปตามราคะเหล่านั้นแต่ว่าท่านก็กลับมารู้จิตใจทนเองว่าท่านก็ยังมีราคาอยู่นะท่านจะต้องเร่งความเพียงให้มากขึ้นนะอย่างในสมัยพุทธกาลก็มีก็มี มีพระมีพระกลุ่มหนึ่งนะก็เข้าใจว่าเป็นท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็รู้ว่าพระกลุ่มนี้ก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็เลยให้ไปพักที่ป่าช้าก่อนพอตอนเย็นก็มีผู้ที่หามศพผู้หญิงที่ยังสดสดอยู่มาพระกลุ่มนี้ก็ไปพิจนาดูทีศศพนั้นก็เกิดราคาขึ้นมา ก็เลยรู้ว่ายังไม่ได้เป็นพระรหันต์ท่านก็เล่งความเพียร น, นะเล่งความเพียรหลังนั้นก็บรรลุนพระรหันต์แล้วก็ได้เข้ามาเฝ้าเจ้าเนาะ <c oughs> หรือว่าพระอย่างที่ <c oughs> ในยุค <c oughs> เมื่อห้าหกสิบปีขึ้นไปก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะท่านก็ไปอยู่ตามป่าช้ากันนะแล้วก็พิจนาศพทั้งผู้ชายผู้หญิงนะั่นแหละก็พิจรณากันอยู่เรื่อยเพราะว่าศพนะสมัยก่อนยังไม่ก็ได้เผาแบบทุกวันนี้นะมาวางแล้วก็ ก็หลายๆวันก็จะเกิดอาการต่างๆนะก็มีการาแมงวันก็ไปไขไว่ไนวะ้แล้วก็หลังานั้นก็กลายเป็นนอนนอนก็เริ่มกัดกินอาไว้ว่าต่างๆเอาไว้ว่ า, าววภายในต่างๆแล้วก็กัดกินมาถึงภายนอกเพราะฉนั้นเมื่อกัดกินไปแล้วลำไส้ต่างๆก็เริ่มทะลักออกมานะเพราะว่ามันเริ่มอืดเริ่มเน่าเริ่มเหม็นนะเอาไว้ว่าก็เริ่มทะลักออกมานอนก็เริ่มกินมากขึ้นน้าเลือดน้ําเหลืองก็ไหลออกมาเยอะ นะเพราะสมัยก่อนก็ไม่มีไม่มียาฟอร์มาลีนที่อาชีดศพก็ปล่อยไว้ตามธรรมชาตินั่นแหละเนาะลงก็ไม่ค่อยมีใส <c oughs> ก็ปล่อยกันไปเพราะส่วมากก็เป็นคนยากจนกันนะคราวนี้ถ้าพิจนาดูแล้วมันก็ได้อาสุภาจริงๆนะเพราะว่ามันเห็นสภาว่าเปลี่ยนแปลงมาทุกวันนะค่อยๆอืดค่อยๆเน่าค่อยๆเหม็นนะแล้วก็เอ็นเอ็นที่หุ้มรัดกระดูกก็เริ่มที่จะเสื่อมไป <c oughs> หลังนั้นกระดูก <c oughs> กระดูกก็เริ่มกระจัดกระจายนะกระจัดกระจายกันออกไปแล้วก็หลังนั้นก็เนื้อเนื้อเนื้ อ, อต่า ง, า ง, างๆก็ค่อยๆร่อนค่อยๆหลุดน้ําเหลืองนะ้าเลือดก็ค่อยแห้งไป <c oughs> ในสุดก็เหลื อ, อแต่กระดูกเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าต่อไปเรื <c oughs> ๆๆ <disappear> ๆ่อยๆก็ค่อยๆผุค่อยๆกร่อนแล้วก็อค่อยๆสลายไปนะแต่ต้องใช้เวลานานะแล้วก็ ต่อไปเมื่อลมพัดก็จะพัดพัดหายไปหมดเนาะอันนี้สําหรับนะพระที่มีโอกาสมีไปพิจาราก็จะพิจารณาเป็นเช่นนั้นอย่างที่ในสติปัฏฐานสี่ก็มีในข้อกายานุปัสนาสติปัฏฐานก็ให้พิจารณาป่าชา้าเก้าอย่างเนาะปาช้าเก้าอย่างก็เป็นแบบพิทว่านี่นแหละจากสดสดค่อยค่อย ส, สลายไปจนกลายเป็นกระดูกแล้วก็ลมก็พัดหายไป เพื่อให้ให้จิตใจเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำนัดในร่างกายนั่นเองนะ ก, ก็มีเทคนิคนะให้ไปพิจารณาอยู่เหนือลมไม่ให้พิจารณาใต้ลมต่างๆแล้วเนี้ ย, ยนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนทางที่เราว่าให้ให้จิตเบื่อหน่ายคลายกำนัดเมื่อก่อนนั้นธรรมาก็เคยไปอยู่วัดป่าแห่งหนึ่งก็มีพระองค์นึงก็ตายตายแล้วก็ปรากฏว่า เจ้าไว้ก็ให้ก่อก่อก อ, องฟอนในวัดเลยคือในวัดรู้สึกจะไม่มีเมลแล้วก็ก่อก อ, องฟอนสดๆเลยแล้วก็ให้ชาวบ้านนําฟืนมาคนละท่อนนะแล้วก็คือตั้งใจจะเผาอย่างรวดเร็วภายในวันนั้นซะด้วยคณิพดีไม่ญาติพี่น้องอยู่ก็เลยต้องรอญาติพี่น้อง <c oughs> ก็รออยู่ให้ญาติพี่น้องมาก็เผาภายในสามวันเผนะาสดๆเลยไม่มีใส่ใส่เป็นโลมืเหมือนกันแต่เป็นโลมไม่อัดบางๆเท่านั้นเอง พอเผาแป๊บเดียวก็เริ่มเริ่มเห็นร่างกายที่จะโดนไปเผาจริงๆนะตอนนั้นพระก็เป็นไปไปไปลุมคือไปล้อมรอบกันเยอะเยอะมากก็เป็นวัดปฏิบัติธรรมพระก็ไปไปรอดูกันนะจนเผาเป็นนานพระก็ดูการสลายไปของการของกระดูกต่างๆเนาะนะ <c oughs> นก็ <c oughs> อันนี้ก็เรียกว่าเพื่อให้เป็นนะ กรรมฐานกับพระด้วยนะหรือครูบาอาจารย์อย่างหลวงปูล่ล <c oughs> ่าเขมาปัตโตนี่ท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากเลยในในยุคใ น, ในยุคก่อนอะก่อนหลวงตามหาบัวนะท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงมาก <c oughs> ท่านก็บอกให้ให้เผาสดๆเหมือนกันเผาสดๆรู้สึกไม่กี่วันนะไ ม, ไม่ไม่กี่วันเองก็ก็เผาแล้วนะเผาสดๆพระก็ไปไปดูกันเยอะนะคือครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านจะสั่งเลย ก็คือตายตายวันนี้เผาวันนี้เลยท่านจะเป็นแบบนั้นเองตายตายวันนั้นให้เผาวันนั้นไม่มีการเก็บไว้หลายวันเนาะจริงๆก็เพื่อให้เป็นการไม่มีภาร ะ, ะกับวัดกับญาติโยมแล้วก็พระจะได้มาพิจารณากรรมฐานกันได้ด้วย <c oughs> เนี่ยก็เป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่าสมัยก่อนก็ทากันแบบนั้นเนาะอันนี้บางบางแห่งก็เผากันเร็วบางแห่งก็เผากันช้านะเพราะว่า ถ้ายิ่งมีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงเยอะก็จะรอรอช้ากันหลายวันเนาะอันนี้อันนี้ก็เป็นถ้าเรามีโอกาสไปงานศพนี่ก็ดีนะได้พิจารณาในในสิ่งเหล่านี้นะว่าเป็นของไม่เที่ยงอย่างไรนะเราดูแล้วจะได้เกิดความสังเวชใจเนาะสมัยก่อนก็เคยไปดูดูการเผาศพที่หนึ่งก็มีโอกาสไปเขา ม, เขามีเขามีที่เผากแต่ว่ามีช่องเล็กๆให้ดู นะก็ไปเปิดในช่องเล็กๆดูโอ้ก็เห็นเห็นชัดเลยนะนะการที่กระดูดต่างๆโดนไฟเผาแล้วก็ค่อยๆสลายไปนะตรงนี้มันมันเห็นอนิจจังได้ชัดเจนนะแล้วก็สามารถที่จะมาพิจารณาให้เกิดกรรมฐานได้สำหรับพระนะหลายๆองค์ทนะท่านท่านนิยมการดูการเผาศพกันนะแต่ว่าการการที่เราได้ไปงานศพแล้วนะบางคนก็ไม่ได้อะไรเลยนะก็ ไปเฉยๆไปร่วมงานให้เจ้าภาพมาเห็นหน้าเท่านั้นเองนั้นก็มีประโยชน์น้อยนะเพราะว่าไปงานศพนี่มีประโยชน์มา ก, กไปงานอย่างอื่นเนาะนะแล้วก็เวลาเวลาเผาศพนี่ภาคก็พิจารณาอนิจจาวัฏสังขาระก็คือร่างกายนี้มันไม่เที่ยงเนาะต่างๆเราเนี่ยมันก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งนะให้เราไม่ยึดไม่ติดในร่างกายนี้มากเพราะว่าความยึดติดทั้งหมดเราก็มันไม่ได้ยึดอะไรเลยมันยึดร่างกายนี่เป็นหลักนะ ร่างกายนี้นะถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นเราก็เป็นห่วงอไปรักร่างกายเราก็เมื่อรักร่างกายแล้วมันก็มีการที่เราถือเป็นตัวเป็นตนขึ้นมามากมายเนา ะ, ะสมัยสมัยหนึ่งก็มีมีพระราชินีองค์หนึ่งของนั่นเป็นพระนางมริการนะพระนางมริการเป็นมเหสีของพระเจ้าประเสนิโกสนพระเจ้าประเสนิโกศนก็ ถา ม, มา 1, พนางมริกาว่ารักใครมากที่สุดนะคือคําตอบที่อยากจะได้ก็คือรักรักตัวท่านเองนะคือรักพระเจ้าเปเสนนิโคสนั่นเองนะเพราะว่าคงยังไม่ได้รักใครเรานอกจากรักพระเจ้าเปเสนนิโคสนี่มากที่สุดเมื่อถามพนางมริกาแล้วพนางมริกาบอกว่ารักตัวเองมากที่สุดนะรักตัวของพนางเองเนี่ยมากที่สุดพระเจ้าเปเสนนิโคสนก็ไม่พอใจเกิดความโกรธ อ, อืมก็ไปถามพระเจ้าว่าทําไมเป็นเช่นนั้นพระเจ้าก็บอกว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆนะก็คือคนเราก็รักตัวเราเองเท่นั้นนั่นแหละไม่ได้รักคนอื่นมากกว่าตัวเราเองหรอกน ะ, นะบางทีเรามีลูกนะมีลูกเราก็คิดว่าเราเรารักลูกมากแต่จริงๆแล้วเราก็รักตัวเองน ะ, น, ะ น, ะนะบางทีก็เคยมีการพิสูจน์โดยการเราอเราเรากับอีกคนหนึ่งนะคนที่เรารักเนี่ยเราก็เอาถ่านไฟไปไว้ที่ ที่ศีรษะ พ, พร้อมๆกันดูคนที่ว่าจะปัดให้ใครก่อนก็ปรากฏว่าเราก็ปัดให้ตัวเราเองก่อนนะั่นแหละก็คือจริงๆแล้วเราก็รักตัวเราเองมากกว่ารักคนอื่นเนาะอืมคราวนี้จริงๆแล้วมันก็คือความรักก็คือความยึดมั่นนั่นเนองนะก็คือเรายึดมั่นในตัวเราเองเนี่ยมากมากกว่าคนอื่นทั้งหมดนะความยึดมั่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราว่าอ่ามันมันก็นําำนําสภาวะที่ความเป็นตัวตนขึ้นมาเนาะว่าว่านี่เป็นของเรา นี่เป็นตัวเป็นตนของเรานันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความยึดมั่นถือมาในตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อที่จ ะ, ะไรเลยเป็นการถ่ายถอนความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนนี้เท่านั้นเองว่าเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราเพราะฉนั้ น, นเราไปบัติธรรมแล้วจิตเราก็เข้ามาเห็นความจริงบ่อยๆนะว่าเรา บังคับร่างกายนี้ได้ไหมบังคับจิตใจได้ไหมจริจริ ง, รงนี่หลายมันเป็นเป็นสิ่งที่เราว่าเราสามารถเห็นได้ไหมว่ากายหรือใจเนี่ยเขาก็ทํางานของเขาเองเนาะถ้าเราสามารถเห็นว่ากายและใจเขาทํางานเองแล้วเนี่ยเราก็จะคลายความยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนของเราได้ว่าเราเห็นความจริงแล้วกายและใจมันก็เป็นของเขาเองเขาก็ไม่ใช่เราเขาก็เป็นของเขาเช่นนั้นเองก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย บางทีเราเราเดินแล้วก็ดูกายมันเดินนะมันไม่ใช่เราเดินหรอกก็ดูดูกายเขาทางานไปนะบางทีเราเราเดินเดินรก็เห็นความคิดขึ้นมาละมันก็คิดเป็นนู่นคิดไปนี่มันก็คิดในเรื่องอดีตทั้งนั้นนะทันนี้มันก็เห็นว่าเออมันก็สัญญามันก็ทำงานอย่างหนึ่งนะก็เป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของสัญญาความจำได้หมายรู้มันก็ทำงานของเขาไปเดี๋ยว แต่เดี๋ยวก็มองเห็นคนนู้นคนนี้เดินมาก็สัญญาก็จําได้เป็นคนนี้เป็นเพื่อนแล้วนะอคนนี้เป็นสามีเราคนนี้เป็นลูกเราเนี่มันก็สัญญามันทํางานทั้งนั้ น, นะเห็นแล้วก็เกิดความชอบใจไม่ชอบใจก็เวทนามันก็ทํางา น, นอีกเอเวทนาทํางานแล้วก็ไปปรุงแต่งต่างๆมากมายในเรื่องความรักความชังอต่างๆมีความคิดมากมายก็เป็นสังขารขึ้นมาทํางานอีกเนาะมันก็ นะรูปก็คือร่างกายมันก็ทํางานไปยืนเดินนั่งนอนต่างๆเนาะเนะวทนาก็ปรุงแต่งนะเป็นความรักความชังความไม่ชอบต่างๆเนาะคือเวทนามันก็มีสุขเวทนาก็คือปรุงแต่งไปในความชอบใจทุกเวนาคือความปรุงแต่งไปในความไม่ชอบใจอทุกขม่าสุขเวทนาคือเฉยๆนะมันก็ปรุงแต่งมันอยู่ทั้งวัน นะในการที่ตายเห็นรูปบ้างหูได้ยินเสียงบ้างเ <c oughs> นาะตาได้ยินเสียงตาเห็นรูปหูได้ยินเสียง <c oughs> ลิ้นกระทบรถจมูกได้กลิ่นนะหรือว่ากายกระทบเย็นร้อนอันแข็งต่างๆเหล่านี้ก็ก็เรียกว่ามันก็เป็นวิญญาณนะวิญญาณก็คือสภาวะความรับรู้ในอายตนะทั้ง6กนี่แหละมันก็รับรู้เข้ามันไปเป็นวิญญาณรูปใหน้นาสัญญาสังการวิญญาณมันก็ทํางานก็ได้แบบนั้น มันก็รับรู้แล้วก็เกิดความชอบเกิดความไม่ชอบเกิดสัญญาเกิดจําได้ไม่รู้เกิดความคิดปรุงแต่งไปต่างๆตลอดเวลาก็คือกายและใจมันทํางานเองตลอดเวลานะมันทํางานของมันเองตลอดเลยเราไม่ได้ไปฟังว่าเออเห็นเห็นตาเห็นแล้วนะหรือว่าตาต้องเห็นหรือว่าตาไม่ต้องเห็นตามันก็เห็นมันอยู่แล้วหูมันก็ได้ยินมันอยู่แล้วแล้วไม่ได้ไปคอยสั่งว่ามันเห็นหรือว่ามันต้องได้ยิน หรือว่าเมื่อมันเห็นหรือได้ยินแล้วมันต้องจําได้ไหมมันก็จําของมันได้เองอยู่แล้วหรือมันจะจําไม่ได้ของมันเองเมื่อมันจําได้มหมก็เกิดความชอบหรือไม่ชอบมันก็ทํางานมันเองแล้วก็ไม่ไปสั่งว่าเออเห็นเห็นเพื่อนเรานะเราจะต้องชอบใจเห็นคนที่เราเกลียดเราต้องเราต้องไม่ชอบใจมันก็ไม่ต้งสั่งอะไรเลยมันก็ทํางานของมันเองเวทนาเขาทำงานเองมันทํางานเองแล้วมันก็อ มันก็มีการปรุงแต่งไปในการที่เราจะทําต่างๆตามมาอืเนาะมันก็ปรุงแต่งมาเองเราก็ไม่ไปสั่งให้มันปรุงแต่งมล้วทำงานไปเองของนั้นเพราะฉนั้นถ้าเราสามารถสังเกตได้ว่าเออกายมันก็ทํางานมันเองใจเมื่อทํางานมันมันเองอืเราก็มีหน้าที่แค่รู้แค่ดูมันเท่านั้นเองนะเราก็เราก็มีหน้าที่แค่รู้แค่ดูไม่ต้องไปยุ่งเลยมันะบางทีเราก็สั่งให้มันเดินไปต่างๆหรือให้มันนั่ง มันก็ทํางานมาเองนั่นแหละใจมันสั่งมันก็สั่งมาเองไม่ใช่เราสั่งนะมันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่เขาไปาตามเหตุตามปัจจัย <c oughs> หรือเวลาเวลาเขากระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจต่างๆอเขาโกรธอมีใครมาดา่าเราหรือทํา <c oughs> ไม่ดีกับเราเราก็มีความโกรธเมื่อความโกรธมันก็ทํางานเองมันก็เไื่อต้องใจใจก็ทํางานเองนะเพรากายและใจไม่ใช่ของเราม่เมื่อใจแม่งเราแล้วสิ่งที่เกิดจากใจ หรืออาการของใจมันก็เป็นเรื่องของใจเองไม่ใช่เรื่องของเรานะมันก็ทํางานของเขาเองนั่นแหละเขาโกรธเขาก็โกรธเข า, เ, ขาเองเราก็มีหน้าที่รู้มีหน้าที่ดูเขาไป <c oughs> ไม่มีหน้าที่ไปจัดการอะไรขเขาไม่ต้องว่าเออมันโกรธไม่ดีนะหรือมันต้องดับความโกรธอันนั้นก็ไม่ใช่ถ้าเป็นงั้นเราก็ไปยุ่งยุ่งกับเขาเองนะไปจัดการกับเขาเองอันนั้นมันก็ไม่ถูกต้องเพราะเราก็มีหน้าที่ดูขเขาด้านนั้นเอง เขาจะรักใครแล้วก็ดูเขาไปดูก็ทํางานเข้าไปอันนี้มันยึงจะเป็นพูดดูจริงๆนะ <c oughs> แต่เมื่อใดที่เรามีตัวมีตนแล้วเราก็ว่าเออมันต้องดีนะดีตามที่เราต้องการทุกๆอย่างนะต้องไม่โกรธนะต้องไม่โกรธนะครั้นี้เวลามีความโกรธมาแล้วก็ไม่พอใจโอ้ทาไมเรายังโกรธอยู่นะเราเราปฏิบัติทำแล้วยังโกรธอยู่เราก็เราต้องไม่โกรธนะ เ, เราก็เกิดความไม่พอใจ เกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเพราะเรายังไม่เข้าใจจริงๆแล้วเรายังไม่ได้เป็นผู้ดูเป็นผู้รู้จริงๆเพราะการที่เราดูเรารู้เราไม่ใช่ว่าต้องให้เขาดีนะไม่ต้องเขาดีแต่เราดูด้วยความเป็นกลางมากกว่านะความเป็นกลางก็ไม่ใช่ว่าเราต้องไปทําให้เขาเป็นกลางด้วยแต่เพียงแต่เรายอมรับความจริงเท่านั้นเองนะมันก็ยอมรับความจริงโกรธก็โกรธไปก็ไม่เป็นไรอ่าคือตรงนี้มันมันเข้าหลักปัตตัยรักในการที่ยอมรับ ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นตาเมื่อเมื่อจิตยอมรับแล้วก็จะดูด้วยความเป็นการจริงๆนะก็คือยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเมื่อเราเห็นนะว่าจิตมันทํางานเองนะมันมันปล่อยเลยนะมันก็ดับมัไปได้เองนะมันไม่ใช่เราปุ๊บมันดับเองเพราะเราเห็นว่าใจมันทํางานเองนะมันเป็นพื้นดูจริงๆแล้วความโกรธมันก็ดับไปได้เองแต่เมื่อไรที่มีตัวเราโกรธมันไม่ดับหรอกมันจะมีการขัดเครืองว่าเออทําไมเราโกรธนะ มันจะมีตัวเราอยู่นะมันจะไม่จิตมันจะไม่ปล่อยตัวมันเองนะเพราะนั้นถ้าเราเราเห็นในตรงนี้ได้เออทุกอยางมันเกิดขึ้นนะเราเป็นผู้ดูมันเฉยๆเท่านั้นเองไม่แทรงแซงอะไรดูด้วยใจที่เป็นกลางนะตรงนี้มันก็สามารถแสดงความเกิดดับให้เราเห็นได้หรือเมื่อมันไม่แสดงความเกิดดับให้เราเห็นมันก็เห็นว่ามันก็ยากกับไปแล้วอ่าอรมณ์ต่างๆมันก็ยากกับไปมันไม่ใช่เรานะ มันก็เป็นการเดินปัญญาในระดับหนึ่งที่เรียกว่าเป็นวิปาาัสนาญาณเป็นการแยกรูปแยกนามออกมาไม่ใช่ตัวไม่ตนนะแต่เมื่อใดที่มันไม่เห็นตรงนี้มันจะเป็นตัวตนเราตลอด <c oughs> ถึงเราไปบัตรทาอะไรปีถ้าเราไม่เห็นตรงนี้มันยังเป็นตัวตนเราก็ตลอดเราก็ยังมีความทุกข์จากการปฏิบัติธรรมเนะบางทีไปบัตรรนะิธรรบางวันดีบางวันไม่ดีแล้วก็มีความทุกข์เมื่อวานดีวันนี้ไม่ดีก็มีความทุกข์ว่าทำไมเราปฏบัติแล้วมันไม่ดีนะ ในจริงๆแล้วอยู่ที่ว่าเรายอมรับไหมต่างหากถ้าเรายอมรับมันไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องมันเองเนี่ยตรงนี้คือเข้าถึงปัตยรักแล้วคือเข้าใจในความไม่เที่ยงเข้าใจในการที่เราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เราก็ผู้ดูเฉยเราก็ไม่ได้ไปยินดีเออบัตดทำดีนะก็ไปชอบใจอันนั้ตรงนี้มันก็ยังไม่ตัวตนเราอยู่นาะแต่บัดทำดีแล้วก็ไม่เป็นไรดีก็ดีไปก็เป็นเรื่องมันเองบัดทำแล้วไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องมันเองเราก็มีหน้าที่ดูเป็นหน้าที่รู้เฉย Стати, เป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะตรงนี้มันก็จะเป็นผู้เ ร, รียกว่าเราออกมาจากการที่เราไปยึดมัน่นถือมั่นในความเป็นตัวตนนี้แหละนะตรงนี้มันจิตก็จะเริ่มค่อยๆคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่น <criminals> ในตัวตนของเราคือเราไม่ได <that> ้ไปละกิเลสอะไรเลยแค่เราละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี้แล้วกิเลสมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะในเมื่อไม่มีตัวตนอยู่กิเลสมันก็ไม่มีที่ตั้งเหมือนกันนะแล้วก็ความที่ไปยึดว่าตรงนี้เป็นลูกของเราเป็นสามีของเรา เป็นทรัพย์สมบัติของเราต่างๆมันก็เริ่มคลายลงจากการที่ความยึดมั่นถึงมั่นในตัวตนมันลดลงไปแล้วการที่จะไปยึดถือต่างๆว่าเป็นของเราเป็นทรัพย์สมบัติของเราเป็นของเราทั้งหลายแหลรมันก็คลายไปในตัวด้วยเพราะเมื่อมันไม่ได้ยึดตัวตนแล้วการที่ไปยึดอย่างอื่นมันก็เลยลดน้อยลงไปโดยอัตโนมัตินะเพราะมันเป็นการคลายออกเพราะงั้นะการทำมันก็ไม่ได้ว่าต้องได้อะไรต้องเป็นอะไรต้องมีอะไรนะอย่างที่หลวงพ่อเทียมบว่าไม่ อยากรู้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นอะไรทั้งสิ้นแต่เป็นการประบัติเพื่อถอดถอนความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนเท่านั้นเองนะเมื่อมันถอดถอนได้แล้วมันก็คลายออกเองคลายจากตัณหาคลายจากทิฏฐิคลายจากตัวตนคลายจากความทิดมั่นติดก็จะเกิดการปล่อยการวางการไม่ยึดติดเกิดการคลายออกต่างๆเนาะตรงนี้มันก็สังเกตได้เออเราก็ความทุกข์เราก็ลดลงไปแล้วนะมันก็ไม่ได้ยึดแต่สมัยก่อนแล้ว เพราะนั้นมันดีหรือไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าไปหวังมันต้องดีอยากดีอยากจะเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้มันก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นอันนั้นก็คือโลภะก็คือตัณหาแต่ถ้าจิตที่เป็นรู้ด้วยความเป็นกลางๆนะก็คือมันไม่ได้ไปหวังอะไรกับมันทั้งสิ้นเราดูด้วยความที่เป็นใจเป็นกลางเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้จากใจที่เป็นกลางแล้วจิตมันก็ไม่เป็นไรดีหรือไม่ดีก็ไม่เป็นไรเราก็มีหน้าที่แค่ดูแค่รู้มันเท่านั้นเองนะ จิตก็จะเกิดการปล่อยการวางการไม่ติดเกิดการคลายกำลังต่างๆแล้วก็ความ็นตัวตนมันก็ลดลงไปในตัวเนาะอันนี้คืออุบายต่างๆที่เรียกว่าเราสามารถที่จะเดินได้ไม่ยากในชีพิจำบัตของเรานะไม่ต้องไปหาป่าช้าหรือไม่ต้องไปเดินทุ ด, ดงหรือไม่ต้องไปที่ไหนก็แล้วแต่เนาะเพราะทุกอย่างมันอยู่ในกายและใจเราอยู่แล้ว ในการที่เขาแสดงความจริงในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์บรตาบังคับบัญชาไม่ได้นี่แหละเขาแสดงตลอดเวลาอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราสังเกตเขาได้ไหมเราเห็นก็ได้ไหมละใจเราเป็นผู้ดูจริงๆได้ไหมดูได้ความเป็นกลางได้ไหมนะถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็จะสามารถเปิดธรรมได้ง่ายแล้วก็ทุกทุกแห่งเนาะมันเป็นหนทางในการพ้นทุกข์ที่แท้จริงนะถ้าเราไม่เข้าตรงนี้จิตมันก็ยังไม่ไม่พ้นทุกข์มันก็ยังมีการวนในการที่จะ ทำให้เขาดีทำมันก็เป็นไปตามที่เราต้องการนะเพราะการประทําจริงๆไม่ใช่ว่าเราเราอยากอยากให้เขาเป็นไปตามเราต้องการแต่เราให้เห็นว่าเขาเป็นอย่างไรมากกว่าเห็นตามความเป็นจริงนะเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ให้เขาเป็นไปตามเราต้องการนะเพราะเมื่อไใดที่เราเห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละอันนี้ก็เป็นวิปัสสนาแต่เมื่อไใดที่เราให้เขาเป็นไปตามเราต้องการเราก็เกิดการบังคับเกิดกดข่มนั่นแหละก็เป็นสมถะ นะอันนี้ก็เป็นความมีตัวตนของเราอีกขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะเพราะใจใจที่เราเข้าใจแล้วมันก็ดูไปตามความเป็นจริงนั่นแหละดีก็ได้ไม่ดีก็ได้นี่แหละคือความจริงนะความจริงที่เรายอมรับได้ไหมนะเพราะว่ากิเลสมันไม่ได้เป็นละอะไรแค่เรารู้ความจริงเท่านั้นเองนะอย่าไปคอยทีนะ่จนะจัดการกับกิเลสกิเลสไม่ดีต้องจัดการกับมันอันนั้นมันเป็นความเรียกลยว่าเป็นมีตัวมีตนแต่ว่ากิเลสก็เป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรานี่แหละเราจะยากมันเป็นผู้ดูผู้รูู้้ได้เนาะ แล้วก็เป็นหนทางที่เรียกว่าเราสามารถทําได้ทุ ก, ทกแห่งเป็นหนทางที่เราสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้อย่างไม่ไม่ถึงกับยากยากเกินไปนะในชีวิตนี้เราก็มีโอกาสจะพ้นทุกข์ได้ทุกคนคือว่าเราทําได้ถูกต้องไหมเนี่ยมันเป็นหนทางที่เราสามารถทําได้เพราะการเกิดมนุษย์นี้นะมันเป็นเรื่องที่ว่าเรามีบุญแล้วอยู่ที่ว่าเราอเดินได้ถูกทางไหมต่างหากเนาะถ้เาเดินไม่ถูกทางก็ไปวนวนอยู่นั่นนะวนอยู่กับการ เดินที่เรียกว่ามันเป็นเป็นหนทางที่เรียกว่าเป็นทางอ้อมนะวนอยู่ในการปฏิบัติก็มีนะมันไม่ได้เข้าสู่หนทางวิปัสสนาก็มีต้องเยอะแยะปฏิบัติด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เลยไปนวนนะการปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นการวนอย่างหนึ่งเพราะมันปฏิบัติแล้วมันก็จะวนไปคือบางครั้งมันก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีนั่นแหละเป็นการวนจริงๆเขาวนเพื่ออะไรเขาเพื่อวนเพื่อเราเห็นม่าใจรักมากกว่าว่านี่มันไม่เที่ยงนะเนี่ยแต่เราไม่เข้าใจเราก็ไปทุกข์จากการปฏิบัติธรรม เราเข้าใจแล้วเราก็เห็นมันเท่านั้นเองดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะเรายอมรับในทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วใจเราก็จะเกิดการปล่อยกันบางนะในทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะใจก็ไม่อิสระจากการยึดติดในสิ่งต่างเนาะอันนี้เราก็มีโอกาสที่จะพ้นทุกได้นะเพราะในท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณพระละไตยน้อมนําทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเร็วพันทุกท่านเทิด